ทำดีดีส่งให้เห็นผลทำชั่วชั่วกด็ดนชั่วให้ชั่วดีดุดราตนตีบอกไว้นาใครชั่วใครดีใส่สืบได้ด้วยกรรมต่อไปนี้ จะได้นำเอาเนื้อหาซึ่งอยู่ในอภิธรรมมัทธะสังหะมานำเสนอดังต่อไปนี้นพระยายมราชนั้นเป็นเจ้าแห่งเวมานิกเปเพรางทีก็ได้เสวยความสุขคือได้อาศัยอยู่ในวิมานมีต้นกละปรฤึกมีสวนทิพย์ มีนางฟ้าฟ้อนรำขับร้องเป็นบริวารบางทีก็ได้เสวยความทุกข์ที่เป็นผลของกรรมอันมีอยู่ในนรกนั่นเองคําว่าผลของกรรมนั้นคือผลของอกุศลกรรมนั่นเองความพิสดารมีว่าเจ้าแห่งเวแมนิกเปรดนี้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ได้เป็นผู้กระทําอกุศลกรรมบ้างกุศลกรรมบ้างครั้นตายไปแล้วได้ไปบังเกิดในเทวโลก ชันจาตุมหาราชิกาเป็นสุขติอเหตุกาปฏิสนธิก็มีเป็นตู้เหตุกาปฏิสนธิก็มีและเป็นตีเหตุกาปฏิสนธิก็มีเช่นเดียวกันกับวินิปาติกาเทวดาทั้งหลายทางนี้เพราะด้วยอำนาจของกุศลกรรมเจ้าแห่งเวมาในกเปเพดเหล่านี้จึงมีโอกาสที่จะได้มรรคผลส่วนในประวัติการนั้นบางคราวก็ได้เสวยผลของกุศล บางคราวก็ได้เสวยผลของอกุศลตามสมควรแก่กรรมที่ตนได้กระทําไว้เจ้าแห่งเวมานิกเปรตองคใดได้อริยมักเจ้าแห่งเวมานิกเปรตองค์นั้นก็ไดเสวยความสุขของกุศลนั้นตลอดไปนับตั้งแต่ที่ได้อาริยมักเป็นต้นมานั้นแหละทำดีดีส่งให้เห็นผลทำชั่ว ชัั่่ววกอดให้ส่วนนายนิรยบาลเหล่านี้ก็ไม่ใช่เป็นสัตว์นรกเพราะการเกิดของเหล่านายนิรยบาลเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากอากุศลกรรมแต่หากเกิดจากมหากุศลชั้นต่ำๆเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกามีชาติเป็นรากสดหากมีผู้ถามว่า นายเนินเริยบาลทั้งหลายไม่ใช่สัตว์นรกแต่เกิดอยู่ในนีริยภูมินั้นเพราะเหตุใดแก่ว่านายเนินเริยบาลเหล่านี้ต้องไปเกิดอยู่ในนิริยภูมินั้นก็เพราะในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ในมนุษยโลกมีแต่ความยินดีพอใจในการที่จะเบียดเบียนหรือฆ่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งนั้นแม้ว่าจะมีการบาเพ็ญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็ตามสาหรับจิตใจนั้น ก็ยังมีความยินดีพอใจอยู่ในหน้าที่ที่มีการเบียดเบียนทรมานลงโทษผู้อื่นสัตว์อื่นอย่างไม่รู้เบื่อหน่ายฉะนั้นกุศลกรรมชั้นต่ำที่เจือด้วยนิกันติตันหาในตำแหน่งหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้วนี้จึงทำให้เกิดอยู่ในนิยรยภูมิเป็นเหล่านาย น, นิยรยบาลมีร่างกายใหญ่โตเหมาะสมที่จะทาการลงโทษเบียดเบียนพวกสัตว์นรก ท่านเท้าพญายมราชท่านมีจิตอนุเคราะห์แก่สัตว์นั้นจึงได้ไต่ถามถึงเทวทูตหแก่สัตว์คือถามถึงเทวทูตข้อที่หนึ่งความเกิดเทวทูตข้อที่สองความแก่เทวทูตข้อที่สผู้เจ็บป่วยไข้เทวทูตที่4คือผู้ถูกลงโทษตามกฎหมายเทวทูตที่หคือคนตายท้าพญายมราชได้ไต่ถามแล้ว ก็ได้ไต่ถามต่อไปว่าสัตว์นั้นได้เคยเห็นบ้างหรือไม่แล้วได้เคยทํากุศลอะไรบ้างหรือไม่ในการที่จะบําเพ็ญทานศีลภาวนาเพื่อความไม่ประมาทสัตว์นั้นถ้าหากสร้างกุศลอันใดไว้ระลึกนึกถึงกุศลได้ก็จะไปบังเกิดสู่สุขติภูมิทันทีแต่หากแม้นไม่สามารถระลึกนึกถึงกุศลได้ เท้าพญายมราชก็จะพยายามช่วยเหลือต่อไปโดยการไต่าถามว่าได้เคยบำเพ็ญทานศีลภาวนาและอุทิศส่วนกุศลให้กับพญายมราชบ้างหรือไม่ถ้าหากสัตว์นั้นระลึกได้อยู่เขาก็จะไปสู่สุคติทันทีแต่หากระลึกนึกถึงไม่ได้เขาก็จะไปตกตรกทันทีมวนมนุษย์ใโลก ก็ถ้าบุคคลใดสร้างทานศีลภาวนาแล้วได้อุทิศ ส, ส่วนบุญนั้นให้แก่พญายมราชท้าพญายมราชก็ย่อมจะระลึกนึกถึงกุศล น, นั้นได้เพราะตนเองได้เคยได้รับส่วนบุญจากบุคคลคนนั้นนั้นถ้าบุคคลใดสร้างทานศีลภาวนาแล้วไม่ได้อุทิศ ส, ส่วนบุญนั้นให้แก่ท้าพญายมราช ท่านก็ไม่สามารถที่จะระลึกนึกถึงกุศลของบุคคลนั้นได้ถ้าท่านช่วยระลึกให้ไม่ได้ก็นิ่งเสียเมื่อเป็นเช่นนี้เหล่านายนิระยะบาลทั้งหลายก็จะนำสัตว์นั้นลงโทษในนรกทันที สื่อธรรมะชุดท่องนรกกับพระมลัยนี้เรียบเรียงจัดธรรมและบรรยายโดยสนทิชัยทวีโชคทรัพย์สินกุศลใดที่ได้จากการผลิตสื่อธรรมะชุดนี้ขออุทิศให้แก่บิดามารดาบรรพบรุษทั้งหลายครูอาจารย์ผู้อุปถัมภ์รายการทุกๆ ท, ท่านและท้าวพญายมราชทั้งหลายด้วยเทิน าาเเรรททป็นแงกรรมสำหรับครั้งนี้ขอความผาสุขความสวัสดีความเป็นผู้มีปัญญามีเหริโอตัปปะละอายเกรงกลัวต่อบาปจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุ ก, ท, กท่านสวัสดีครับไม่อาจหลุดพ มนุษย์เอ๋ยอย่าเห็นกงจักเป็นนอกพัว